สัทงควาโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตตสันะโมตัสสะสัวาโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตตสันะโมตัสสะสัทวาโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตตสัปิมาเนธมนิวะเสสนิปติตายะพุทธปริสัยยะ กาจิธรรมีกถาคุตาเตอิมัสสะธัมมะปริยายัสะอัตโทสาธายะสะมันเตหิสกจังธัรมโอโถตัปโตรีณวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถิที่8ค่ำแห่งปัก พุทธบริษัทได้มาประชุมพร้อมกันณธรรมสภาสารานีในเบื้องต้นได้กระทำบุรพากิจมีว่ายพระสวดมนต์เป็นอันเสร็จสิ้นไปแล้วโอกาสตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะสดับรับฟังซึ่งโอวาทธรรมมันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่งจะได้นำพุทธกิจ45พันษามาแสดงสืบต่อไปในตอนพันษาที่17พันษาที่17พระพุทธองค์ทรงประทับยำมันสาณนะเวรุวันวิหารกรุงราชคกุพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารพรนามว่าอภัยราชกุมาร ผู้เป็นสิทธิ์ของนิคนนาทบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูล น, นิมนต์ให้เสวยพระตาหารในนิเวศของตนเพื่อทูลถามปัญหาตามที่นิคนนาทบุตรเสียมสอนด้วยหวังว่าพระสมณะโคดมจะไม่สามารถตอบปัญหานั้นได้ อภัยราชกุมารทูลถามว่าข้าพระองค์ใคร่ขอทราบว่าพระองค์เคยตรัสวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นบ้างหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสว่าปัญหาข้อนี้จะวิสสนาว่าเคยหรือไม่เคยโดยส่วนเดียวไม่ได้เพราะ หนึ่งวาจาใดาไม่จริงไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นที่พอใจของบุคคลอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นสองวาจาใดไม่จริงไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่พอใจของบุคคลอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้น สามวาจาใดจริงประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่พอใจของบุคคลอื่นตถาคตรู้เวลาที่จะกล่าววาจานั้นสี่วาจาใดจริงประกอบด้วยประโยชน์และเป็นไปและเป็นที่พอใจของบุคคลอื่นตถาคตจึงจะกล่าววาจานั้น เมื่อพระพุทธองค์ตรัส ด, ดังนั่นแล้วอภัยราชส ก, กุมารได้ปฏิญาณตนขอถึงพระพุทธองค์พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอเป็นอุบาสกผู้ถึงสระนตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เวรุวันวิหารท่านพะทพพะมละบุตร เข้ามาเฝ้าทูลลาว่าบัดนี้เป็นการนิพพานแห่งข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสว่าทัพพระเธอจงสำคัญเวลาอันควรณบัดนี้เถิดท่านพทัทพภามันระบุถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักศินแล้ ว, แ ล, วแล้วเข้าสมาบัต มีเตโชธาตเป็นอารมณ์อยู่กลางอากาศออกจากสมาบัติแล้วนิพพานสรีละถูกไฟเผาไม้อยู่เท่าไม่ปรากฏเลยขมเมาก็ไม่ปรากฏเหมือนน้ำมันที่ถูกไฟเผาไม้อยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานว่า รูปกายได้สลายแล้วเวทนาทั้งปวงสงบแล้วสัญญาดับแล้วสังขารทั้งหลายสงบแล้ววิญญาณถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แล้วพระศาสดาทรงเปร่งอุทานเพราะความที่ขันห้าของท่านพระทัพพระมรรุตรเถระดับสนิท หาปฏิสนธิไม่ได้เหมือนประทีบที่หมดเชื้อฉะนั้นโสปากะถือกำเนิดและเติบโตในป่าชาในกรุงราชคฤห์เมื่อโสปากะอายุได้สี่เดือนบิดาก็สิ้นชีวิตอาเรียงไว้จนอายุได้เจ็ดขวบ วันหนึ่งอาวังวันหนึ่งอาโกธเพราะทะระกับลูกของตนจึงนำไปยังป่าชา้าผูกมือของโสปากะกับร่างของคนตายด้วยหวังให้สนักกิ้งจอกกัดกินแต่เพราะผลบุญของโสปากะ ซึ่งเป็นผู้มีพบครั้งสุดท้ายยังไม่มีสิ่งใดทำอันตรายได้ในเวลาเที่ยงคืนโ ส, สปากะเฮอว่าคติของเราผู้ไม่มีคติจะเป็นอย่างไรเผ่าพันธ์ของเราผู้ไม่มีเผ่าพันธ์จะมีใครใครจะช่วยเรา ผูถูกภูกอยู่ในถ้ำกลางป่าช้านี้ในเวลานั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยพระอรหัสต์ของโสปากะจึงทรงแผ่พระโอภาษตไปยังเด็กนั้นตรัสว่ามาเถิดโสปากะอย่ากลัวเลยเธอจงแรดูตถาคต เราจะยังเธอให้ข้ามพ้นไปดูดพระจันทร์พ้นจากปากราหูในเวลาจบพระคาถาโสปากะบรรุเป็นพระสดาบันได้ไปยืนอยู่ตรงหน้าพระคันทักกุฎีมารดาของโสปากะเมื่อไม่เห็นบุตรของตนจึงถามอาเมื่อถามแล้ว อาไม่ยอมบอกความเป็นไปของบุตรนางจึงไปยังสำนักพระาศาสดาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปกปิดโสปากะไว้ด้วยพระพุทธานุภาพเมื่อนางถามถึงบุตรพระองค์ตรัสว่าบุตรก็ดีบิดาก็ดีเผาพัน์ก็ดี ญาติก็ดียอมไม่มีใครต้านทานได้เมื่อความตายมาถึง <c oughs> นางฟังธรรมนั้นแล้วได้เป็นพระสดาบันโสปากะได้บรรุพระอระหันตรอภุทธองค์ทรงคลายพระพุทธานุภาพมานดานได้เห็นบุตรก็ดีใจทราบว่าบุตรนั้นเป็นพระชินาศ จึงอนุญาตให้บวชแล้วนางก็จากไป <c oughs> บอเห็นลูกก็ต้องเดียดร่อนถึงพระพุทธเจ้าขึ้นกันเนาะสมัยนั้นก็ได้ลูกหายลูกบอเห็นพระพุทธองค์ก็ต้องได้ทำหน้าที่ทำภาระโ <c oughs> สปากะเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ซึ่งกาลังเสด็จจงกรมอยู่ในร่มเงาแห่งพระคันธ ก, กุฎีถวายบังคมแล้วจงกรมตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์จะอนุญาตอุปสมบทแก่เธอขณะนั้นโสปะกะมีอายุเพียงเก็ดขวบจึงมีพระดารัดถามปัญหาสิบข้อที่เรียกว่า กุ ม, มารับปัญหาพระาศาสดาทรงพอพระทัยในการพยากรณ์ปัญหาของโสปะกะจึงทรงอนุญาตการอุปสมบทแก่สามเณรพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนโสปะกะการวิสสนาปัญหานี้เป็นการอุปสมบทของเธอ อุปสมบทนั้นจึงชื่อว่าปัญหาพยากรโนปสัมปทาคืออุปสมบทด้วยการพยากรปัญหาหรือที่เรียกว่ากุมารปัญหาสิบข้อพระพุทธองค์ตรัสถามว่าจำไได้เนนกบ อะไรชื่อว่าหนึ่งโสปะกะทูลว่าอาหารเพราะสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ด้วยอาหารอะไรชื่อว่าสองโสปะกะทูลว่านามและรูปอะไรชื่อว่าสาม โสปกะทูลว่าเวทนาสาอะไรชื่อว่าสีโสปะกะทูลว่าอริยสัจสี่อะไรชื่อว่าห้โสปะกะทูลว่าอุปทานนขันห้าอะไรชื่อว่าหกโสปะกะทูลว่าอาจตนาภายในหอะไรชื่อว่าเจด โสปะกะทูลว่าโพ่ทรงเกตอะไราชื่อว่า8โสปะกะทูลว่าอริยมรตมีองค์8อะไราชื่อว่า9โสปะกะทูลว่าสัตว่าเกที่อยู่ของสัตว์อะไราชื่อว่าสิโสปะกะทูลว่าผู้ประกอบด้วยองค์สิบเรียกว่าพระอรหันผู้ประกอบด้วยองค์สิบ ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมายานะสัมมาวิมุตติที่เป็นอาเสขาสมัยนั้นนางพรามณีชื่อทนัญชานี เป็นผู้เรี่ยมใสายยิ่งในพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพราหมณ์พานทวาชโคตผู้สามีเชิญเหล่าพราหมณ์ทั้งหลายมาบริโภคอาหารขณะที่นางพราหมณีนำพัดเข้าไปเลี้ยงพราหมณ์เหล่านั้นนางเดินสะดุดเท้าตนเองจึงเปลง่งบุทานสามครั้งว่า ข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพรามผู้สามีกล่าวว่าหญิงถอยนี้กล่าวสรรเสริญคุณของสมณะโลนอย่างนี้ไม่เลือกที่เราจะไปต่อว่าพระาศาสดานั่นของเจ้า นางพาณีกล่าวว่าพรามฉันยังไม่เห็นบุคคลผู้ใดที่จะพึงต่อว่าพระาศาสดาพระองค์นั้นได้ทั้งในเทวโลกมารโลกอมโลกในมูสัตว์พร้อมด้วยสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ข้าแต่พรามท่านจงไปเถิดเมื่อท่านไปพบพระาศาสดาของเราแล้ว ท่านจักรู้เองท่านจักได้รู้เอง <c oughs> พรามผู้สามีฟังแล้วโกรธนางเป็นอย่างยิ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระพาคเจ้ายัางที่ประทับในเวรุวันวิหารกราบทูลถามว่าบุคคลค่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุข ฆ่าอะไรได้จึงจะไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพระองค์ชอบใจในการฆ่าอะไรพระพุทธองค์ตรัสต่อบว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกดูก่อนพรามณ์พระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมสันเสริญการฆ่าความโกรธอันมีลากเป็นพิษมียอดหวานเพราะฆ่าความโกรนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกเมื่อได้ฟังพระพุทธองค์ตรัส ด, ดังนี้แล้วพรามพานทวาชโคตหน้าบรรลุโสดาปติผลกับทูนขอบรรพชาพะสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านอุปสมบทแล้วไม่นานลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตมั่นคงอยู่ไม่นานเท่าไรนักพระหานทวาชได้เป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายะศาสาสดาเมื่อประทับอยู่เวรุวันมหาวิหารทรงปารอบเรื่องนางเปรต ผู้เคยเป็นมันดาของท่านพระสารีบุตรในอดีตชาติที่ได้เสวยทุกข์อันเหมาะสมแก่วจีทุจริตของตนปัจจุบันมีความประสงค์จะมายังสำนักของท่านพระสารีบุตรเทวดาผู้สถิตอยู่ที่ประตูวิหารห้ามเข้านางอ้อนวอนเพื่อขอเยี่ยมพระเถระ ท่านเข้าไปแล้วได้ยืนอยู่ในที่สุดจงกรมของพระเถระแสดงตนให้พระเถระเห็นแล้วกล่าวว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมานดาของท่านในชาติอื่นๆดิฉันเข้าถึงเปตวิสัยเรียบพร้อมไปด้วยความหิวกระหาย เมื่อถูกความหิวครอบงำย่อมกินน้ำลายน้ำามกเสมหะและมันเหลวของซากศพที่ขเขบเผาแล้วที่เชิงตะกอนกินโลหิตของพวกหญิงที่คลอดบุตรและโลหิตของพวกบุรุษที่ถูกตัดมือเท้าและศีรษะกินเนื้อเอ็นกินหนองและเลือดของปะสุสัตว์ และมนุษย์ทั้งหลายไม่มีที่อยู่อาศัยบนไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงของคนตายที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าลูกเอ๋ยขอรูปจงให้ทานและอุทิศส่วนบุญให้แก่แม่บ้างฉะไหนหนอแม่จึงจะพ้นจากการกินหนองและเลือด ท่านภาษาริบุทได้ยินดังนั้นเกิดธรรมสังเวทในวันต่อมาจึงชวนท่านพระโมก ค, ครัราณะเถระและภิกษุอีกสองรูปเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชสครพระโมคคันราณะเถระได้ทูลเรื่องนั้นแก่พระเจ้าพิมพิสาร พระราชาทรงมีพระบัญชาให้สร้างกุฏิให้สร้างกุฎีสี่หลังไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์ในที่อันสมบูรณ์ด้วยร่มเงาและน้ำเมื่อกุฎีเสร็จแล้วจัดเตรียมพรีกรรมทั้งหมดมีข้าวนา้ำผ้าและบริขารทุกอย่างที่สมควรแก่ภิกษุสง ที่มาจากทิศทั้งสี่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วมอบถวายสิ่งทั้งหมดนั้นแก่ท่านภาษารีบุตรลําดับนั้นท่านภาษาลีบุตรได้ถวายสิ่งทั้งหมดนั้นแด่ภิกษุสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่ออุทิศให้แก่นางเปรต นางเปรตได้อนุโมทนาส่วนบุญนั้นแล้วไปบังเกิดในเทวโลกเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอันพึงปาธนาทุกประการในวันต่อมานางได้เข้าไปหาท่านพโมกขรณะมีร่างกายอันบริสุทธิ์สะอาดนุ่งห่มผ้าอันมีค่ายิ่งกัวผ้ า, ากวัวผ้าแคว้นกาสี ประดับด้วยอาพรนันวิจิตแสแดงให้เห็นความพ้นจากการเป็นเปรตของนางแล้วพระโมกขลาราเถระกราบทูลความนั้นแก่พระศาสดาพระองค์ทรงกะระทาเรื่องของนางเปรตให้เป็นต้นเหตุในการแสดงธรรมแก่บริษัททั้งหลายทเทสนานั้นมีประโยชน์แก่มหาชนเป็นจํานวนมาก <c oughs> หลังจากออกพรรษาแล้วสมัยนั้นพระผู้มีพระพาเจ้ายังประทับอยู่ที่พระเวรุวันวิหารครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิาสารเสด็จไปสู่แม่น้ำตะโปธาด้วยมีพระประสงค์จะสงสนานพระวรกาย <c oughs> ขณะนั้นพวกภิกษุกำลังสงน้ำ อยู่ในแม่น้ำตะโปธาพระราชาจึงประทับรออยู่ในที่ควรแห่งหนึ่งด้วยตั้งพระทัยว่าจะสงสนานต่อเมื่อพระคุณเจ้าสงน้ำเสร็จภิกษุเรานั้นแม้จะเห็นพระราชาเสด็จมาก็ยังคงสงน้ำต่อไป ทำให้พระราชาต้องรออยู่เป็นเวลานานกลัวจะได้สงสนานะวรกายตามพระประสงค์วันรุ่งขึ้นพระราชาเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เช้าตู่พระพุทธองค์ตรัสถามถึงสาเหตุที่มาเฝ้าแต่เชา้า พระราชาได้กราบทูลความเรื่องภิกษุสงน้ำต่อพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงสีแจงให้พระราชาเห็นแจ้งสมาทานอาจหา ร, ร่าเริงด้วยธรรมีกาถาแล้วพระราชาพิวาสกระทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมสองเนื่องด้วยเหตุนั้น ทรงติเตียนแล้วบรรยัติสิขาบทว่าภิกษุใดอาบน้ำแล้วยังไม่ถึงกึ่งเดือนอาบน้ำอีกต้องอาบัดภายจิตียกเว้นภิกษุอาพาธภิกษุผู้ทานวกรรมภิกษุซึ่งเดินทางไกลหรือในคาวที่อากาศร้อนทรงอนุญาตให้อาบน้ำได้ วัคคะลิเป็นบุตรของตระ ก, กูลพามในกรุงสาวัตถีเรียนจบไตเพศเห็นพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีในกรุงสาวัตถีชื่นชมในพระรูปโสม อันประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะของพระาศาสดาจึงทูลขอบรรพชาอุปสมบทด้วยคิดว่าเราจกได้เห็นพระพุทธองค์อยู่เนืองนิดภวรกริชอบที่จะยืนอยู่ในที่ที่ตนสามารถเห็นพระาศาสดาแลดูอยู่ด้วยความไม่อิ่มในการได้มองเห็นพระรูปกาย เฝ้าติดตามเพ่งพินิพระลักษณะของพระพุทธองค์ตลอดเวลาเว้นเวลาฉันทตาหานและเวลาที่ทากิจในสรีระของตนจนไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณะธรรมพระผู้มีพระพาาเจ้าแม้จะทรงทราบแต่ก็มิได้ตรัสอะไร พราะทรงรอความแก่กล้าแห่งยานของเธอต่อมาวันหนึ่งพระา ศ, าศาสดาทราบว่ายานของพระวัคริแก่กล้าแล้วจึงตรัสว่าวัคริประโยชน์อะไรด้วยการที่เธอเห็นกายอันเปียเน่านี้ผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา ผู้ใดแรเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรมแม้ก น, นั้นพระวัคริก็ยังไม่ละการชมพระรูปโฉมพระาศาสดาจึงเสด็จไปสู่กรุงราชคฤก์ทรงขับไร่ด้วยพระดำรัสว่าวัคริเธอจงหลีกไปพระวัคริเสียใจไปจำมันษาอยู่นการสิลา ข้างภูเขาอิสิคิริท่านออกพรรษาจึงเข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์ที่เวรุวันวิหารสั้งยุตตะนิกายขันธวัตเร่มสามภาคหน่งกล่าวว่าขณะที่เดินทางมาถึงกรุงราชคฤท่านเกิดอาพาธหนักขาทั้งสองข้างก้าวไม่ออกพวกชาวเมืองช่วยพาท่านไปพักที่โรง ช่างปั้นหม้อพระวกคิให้ภิกษุผู้อุปถาไปกราบทูลขอความอนุเคราะห์ให้พระาศาสดาเสด็จมายัางที่พำนักข้างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปหาพระวกคิถึงที่อยู่ตรัถามถึงอาการอาพาธพระวกคิกรกาบทูลว่าข้าพระองค์ทนไม่ไหว ทุกขเวทนาของข้าพระ อ, องค์แรงกล้ามีแต่กำเริบขึ้นไม่ทุเราลงเลยข้าพระ อ, องค์ไม่สามารถจะเข้าไปเฝ้าพระ อ, องค์ถึงที่ประทับได้พระศาสดาตรัสว่าข้อการเฝ้าดูร่างกายอันเปลี่ยนเน่าที่เธอเห็นนี้จะมีประโยชน์อะไรดูก่อรว ก, กริ เธอจงสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนเธอจักสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระวกรกฤิทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตนของเราเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพะระเจ้าข้าภวะริทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้า พระศาสดาตรัสว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นอะพังกะวาโตอรหโตสัมมาสัมบุตสสะนโมตสสะพังกะวาโตอรหโตสัมมาสัมบุตสสะ นะโมตัสสะพังกวาโตอะราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิปนระสีลิวสเสสนิปติตาญาุทธะปริสายาการิธรรมีกถาคติยาเตอิมัสสะธมะปริยายสสะ อธโธสาทายสมันเตหิสกจังธโมโสตบโบตีณวันนี้เป็นวันปณารสีฤทธิที่สิบห้าคำเป็นวันมหาปวารณาซึ่งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติอนุญาตการกระทาสังคับภาวนาแก่ภิกษุสงฆ์เมื่อจำพรรษาครบไตรามาสสามเดือน <c oughs> เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นวันภาวนาด้วย <c oughs> แล้วก็เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งหลายได้มา ประชุมพร้อมเพียงกันในเบื้องต้นก็ได้กระทาบุรพาจกิจมีการทำทานบริจาคทานแล้วก็ได้สมาทานโบสดศีลในตอนเช้าตอนเย็นมาก็ได้พร้อมกันไหว้พระสวดมนต์เป็นนันเสร็จสิ้นไปโอกาสตอนนี้ไปก็เป็นโอกาสที่จะสับรับฟัง ซึ่งพัะธรรมเทศนานั่งจะได้นำพุทธกิจ45พันษาขององค์สมเด็จสมภัสมสมาสมพุทธเจ้ามาแสดงสืบต่อไปในพันษาที่18พระพุทธองค์ประทับจำพันษาณนะาริกะบันพศเมืองจาริกา ในระหว่างประทับจำมสาที่18นี้ไม่มีหลักฐานใดกล่าวถึงเลยว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดผู้ใดบ้างจึงนำเอาเรื่องในพุทธกะนิกายริมาณวัตถุซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลในครั้งพุทธกาลที่สร้างสมบุญด้วยศรัทธาทมกาลละ